ผลงานด้านการสั่งสอนเผยแผ่งานด้านการสอนที่สําคัญของเจ้าพระคุณสมเด็จก็คือการสอนแนวปฏิบัติในการฝึกสมาธิหรือเรียกกันสั้นๆว่าสอนกรรมฐานในส่วนพระองค์เองก็ทรงสนพระไทยในการฝึกปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเบเรียน ผู้ที่เป็นครูทางกรรมฐานของพระองค์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศ์พระอุปปช้าของพระองค์ทรงเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมัยที่ยังทรงเป็นพระป ร, ะริยนอยู่และกําลังสนพระไทยในการศึกษาภาษาต่างๆดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้มีรับสั่งให้เฝ้าและตรัสถามว่ากําลังเรียนใหญ่หรือ อย่าบ้าเรียนมากนักหัดทำกรรมฐานเสียบ้างรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าดังกล่าวเจ้าพระคุณสมเด็จทรงถือว่าเป็นเสมือนพระบัญชาและเป็นเหตุให้พระองค์ทรงสนพระไทยในการปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและทรงถือว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศ์ทรงเป็นครูกรรมฐานพระองค์แรกของพระองค์ การปฏิบัติกรรมฐานเป็นประเพณีนิยมในพระสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวดอยู่โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงผนวดอยู่ได้รื้อฟื้นประเพณีนี้ขึ้นด้วยการเอาพระไทยใส่ในการศึกษาวิปัสนาธุระคือการฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจและทรงแนะนาสิญญาณุสิ์ ให้เอาใจใส่ศึกษาปฏิบัติเช่นกันทั้งนี้เพราะทรงถือปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าพระภิกษุสัมมเนรมีธุระคือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติสองอย่างคือคันักธุระได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระคำภีเพื่อให้มีความรู้พระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบแผนในการประพฤติธปฏิบัติและสำหรับแนะนำสั่งสอนผู้อื่นต่อไปหน้าที่พึงปฏิบัติอีกอย่างคือวิปัสสนาธุระคือการศึกษาอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปัสสนาเพื่อให้รู้แจ้งในธรรมะและกําจัดกิเลสออกจากจิตใจฉะนั้นพระสงฆ์ธรรมยุทธจึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาแต่ครั้งนั้นว่า ต้องศึกษาทั้งคันทธทุระและวิปัสนาทุระกล่าวคือในเวลาพรรษาก็อยู่ศึกษาคันทธทุระในสำนักของตนของตนเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะริทุดงไปตามป่าเขาเพื่อหาที่วิเวกศึกษาปฏิบัติวิปัสนาทุระแม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเมื่อยังทรงผนวดอยู่ก็ทรงถือปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด ดังปรากฏในพระราชประวัติว่าได้เสด็จจาริกไปตามหัวเมืองต่างๆอย่างกว้างขวางประเพณีปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้เจริญแพร่หลายในหมู่พระสงฆ์ธรรมยุทธ์สืบมาจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานความนิยมในการศึกษาปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่พระสงฆ์ธรรมยุทธ์เท่านั้น แต่ก็ได้แพร่หลายไปในหมู่พระภิกษุสามเณรทั่วไปตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหญิงชายด้วยดังเป็นที่ทราบกันว่ามีสำนักกรรมฐานเกิดขึ้นในภาคอีสานทั่วไปและมีบูรพาจารย์ทางกรรมฐานเกิดขึ้นมากมายสืบเนื่องกันมาไม่ขาดสายที่ปรากฏเกียรติคุณเป็นรู้จักกันทั่วไปก็เช่นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ในวงเล็บจันสิริจันโท พระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ฟั่นอาจารโอพระอาจารย์ชาสุภัทโทเป็นต้นพระบูรพาจารย์ดังกล่าวนี้ล้วนสืบสายมาจากสัตธิวิหาริกคือสิทธิของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเมื่อยังทรงผนวดอยู่ทั้งนั้นสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้สนใจในการปฏิบัติกรรมฐาน แต่ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสำนักวัดปา่าก็สามารถปฏิบัติได้โดยปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าแม้จะอยู่ในบ้านในเมืองก็ให้ทำสัญญาคือทําความรู้สึกกําหนดหมายในใจว่าอยู่ในปา่าอยู่ในที่ว่างอยู่ในที่สงบก็สามารถทําจิตใจให้ว่างให้สงบได้เจ้าพระคุณสมเด็จก็ส่งปฏิบัติพระองค์ตามหลักดังกล่าวนี้ ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมืองและเมื่อทรงมีโอกาสก็จะเสด็จจาริกไปประทับตามสำนักวัดป่าในภาคอีสานช่วระยะเวลาหนึ่งเสมอมาสำหรับวัดบวรนิเวศวิหารอันเป็นสำนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดอยู่และเป็นเสมือนวัดตัวอย่างของคณะธรรมยุทธ์นั้น ก็ได้มีการสอนกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจต่อเนื่องกันมามาถึงยุคที่เจ้าประคุณสมเด็จทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ได้ทรงรับภาระการสอนกรรมฐานดังกล่าวสืบมาโดยมีกำหนดสอนในตอนค่ำของวันพระและหลังวันพระสัปดาห์ละสองวันตลอดมาไม่ขาดสายเป็นเหตุให้การศึกษาปฏิบัติกรรมฐานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ไปในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไปทางหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จทรงรับภาระสอนกรรมฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารมาตั้งแต่พุทธศักราช2504การสอนกรรมฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารได้กำหนดเป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นในสมัยที่พระพรหมมุนีในวงเล็บผินสุวะโจดํดรงตํตำแหน่งเจ้าอาวาสครั้นพระพรหมมุนีมรณภาพแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาก็ได้สืบทอดรูปแบบการสอนกรรมฐานดังกล่าวต่อมากล่าวคือการสอนเริ่มเมื่อเวลา19บเนาฬกาพักภิกษุสามนเณรและพุทธศาสนิ ก, กชนผู้ร่วมฟังการสอนทำวัดสวดมนต์แล้วพระอาจารย์เริ่มกล่าวอบรมธรรมะปฏิบัติจบแล้วพระสงฆ์สี่รูปสวดพระสูตรที่แสดงหลักปฏิบัติทางสมถะและวิปัสสนาสวดทั้งภาคบาลีและแปลเป็นไทย เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติตอนหนึ่งจบแล้วนั่งสงบฝึกปฏิบัติจิตใ จ, จตามเวลาที่กำหนดจบแล้วสวดบทที่พึงพิจารณาเนืองเนืองและแผ่ส่วนกุศลเป็นจบการสอนในวันนั้นหลักการสอนสมาธิหรือการสอนกรรมฐานนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงดำเนินตามหลักสติปัฏฐานคือการกำหนดจิตพิจารณาอยู่ในกายในเวทนาในจิต และในธรรมอันเป็นหลักใหญ่หรือหลักสําคัญในการฝึกอบรมจิตหรือฝึกปฏิบัติสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้วิธีปฏิบัติหรือฝึกธรรมสมาธินั้นมีมากมายหลายวิธีสุดแต่ความสะดวกหรือความชอบที่เรียกว่าเหมาะกับจริตของผู้ปฏิบัติฝ่ายอาจารย์ผู้สอนก็สอนในวิธีที่แตกต่างกันไปตามความถนัดหรือประสบการณ์ของอาจารย์นั้นๆ แต่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงสรุปตามหลักสติปัฏฐานว่าโดยสรุปแล้วการทำสมาธิมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือการหยุดจิตให้อยู่ในตำแหน่งอันเดียวไม่ให้คิดไปเหนือเรื่องอื่นเช่นการกำหนดจิตให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าวิธีอาณาปานาสติวิธีที่สองคือพิจารณาไปในกายอันนี้กำหนดพิจารณาดูกาย แยกให้เห็นเป็นอาการหรือเป็นส่วนต่างๆเช่นแยกให้เห็นเป็นอาการ32เป็นต้นวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติสมาธินั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงสรุปว่ามีสองอย่างคือ 1. ทำสมาธิเพื่อแก้อารมณ์และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นความรักความโกรธเป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อหน้าที่การงานหรือการศึกษาเล่าเรียนเมื่อจะทำให้อารมณ์หรือกิเลสดังกล่าวนั้นสงบลงได้จึงต้องใช้สมาธิคือการหัดเอาชนะใจทำใจให้สงบจากอารมณ์ดังกล่าวนั้น 2. ทํทำสมาธิเพื่อฝึกใจให้มีพลังคือพลังตั้งมั่นพลังรู้มากขึ้น เช่นเดียวกับร่างกายจะแข็งแรงก็ต้องมีการฝึกออกกํำลังกายจิตใจจะมีพลังก็ต้องมีการฝึกหัดทำสมาธินอกจากการสอนดังกล่าวแล้วเจ้าประคุณสมเด็จยังได้ทรงนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อเป็นหลักประกอบการศึกษาปฏิบัติสมาธิไว้อีกจำนวนมากทั้งหลักปฏิบัติเบื้องต้นและหลักปฏิบัติชั้นสูงเช่น หลักการทำสมาธิเบื้องต้นแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานการปฏิบัติทางจิตอนุสติและสติปัฏฐานหลักธรรมสำหรับการปฏิบัติอบรมทางจิตเป็นต้นพุทธศักราช2 5 1 1เจ้าประคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภลทรงเริ่มรายการ การบริหารทางจิตทางสถานีวิทยุออสพระราชวังดุสิตตามพระราชปารบของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีรายการบริหารทางจิตมีวัตถุประสงค์คือเพื่อชักนำให้เกิดความสนใจในการอบรมจิตใจจนถึงปลูกฝังเป็นนิสัยในทางที่ถูกเพื่อประโยชน์ในทางที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยเหมาะสมมีความเจริญในการศึกษาเล่าเรียนอาชีพการงาน สามารถรเผชิญเหตุการณ์ต่างๆครองชีวิตอย่างมีความสุขราบรื่นตามสมควรการอบรมดังกล่าวควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เพราะเด็กเป็นไม้อ่อนที่อาจจะดัดได้ง่ายและสมควรที่จะเริ่มหัดให้ถูกทางถ้าได้สนใจอบรมเด็กทางจิตใจให้ความเจริญทางจิตใจเติบโตขึ้นพร้อมกันกับความเจริญทางร่างกายก็จะเป็นประโยชน์มาก จะไม่ต้องมาแก้ปัญหายุ่งยากต่างๆในเมื่อเด็กเติบใหญ่ขึ้นและผู้ใหญ่มักจะเป็นไม้แก่สักหน่อยซึ่งอาจจะดัดได้ยากแต่ก็ยังดัดได้เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่พึงฝึกอบรมได้ทุกรุ่นทุกวัยเป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่แข็งเกินไปต่อการอบรมเว้นไว้แต่จะไม่สนใจไม่ยอมที่จะฝึกอบรมเท่านั้นและผู้ใหญ่ ย่อมจะได้เปรียบกว่าเด็กในข้อที่ได้ผ่านได้รู้เหตุการ์ต่างๆมามากกว่าทำให้เกิดความสำนึกและความฉลาดรอบคอบมากขึ้นฉะนั้นหากได้สำนึกในประโยชน์ของการอบรมจิตก็จะทำได้ไม่ยากและผู้ใหญ่จำต้องปกครองตนเองมากขึ้นกว่าเด็กทั้งโดยมากต้องเป็นผู้ปกครองเด็กของตนอีกด้วยก็ยิ่งจาเป็นที่ผู้ใหญ่เองจะต้องทราบวิธีอบรมจิตใจ เพื่อที่จะปฏิบัติตนเองและเพื่อที่จะแนะนำอบรมบุตรหลานของตนต่อไปกล่าวโดยสรุปรายการบริหารทางจิตนี้มุ่งในวิธีปฏิบัติทางจิตแก่เด็กและผู้ใหญ่ทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์กล่าวโดยสรุปตามประเภทดังนี้สำหรับเด็กเพื่อฝึกหัดให้เด็กมีความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นเป็นการเสริมสร้างหลักใจเพื่อให้รู้จักใช้ความคิด เป็นการเสริมสร้างพลังปัญญาเพื่อให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นสารณะที่พึ่งเพื่อให้รู้จักเมตตารู้จักขอพรพระให้เป็นเด็กดีคนดีประพฤติดีและข้ออื่นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็กในเรื่องการเล่าเรียนและความประพฤติตนให้ดีขึ้นสำหรับผู้ใหญ่เพื่อฝึกหัดและเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็ง เพื่อปฏิบัติการงานให้ดีขึ้นเพื่อไม่เป็นผู้พ่ายแพ้แก่ชีวิตเมื่อพบกับอุปสรรคหรือเมื่อจะดีใจก็ไม่ถึงกับสิ้นใจเพื่อให้ผู้ที่มีจิตใจไม่เป็นปกติอยู่กับที่สามารถระงับความฟุ้งซ่านนั้นได้เพื่อให้เกิดความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากยิ่งขึ้นโดยสรุปเพื่อหัดทาใจให้สงบมีความมุ่งมั่นและหัดใช้ความคิดให้เกิดปัญญา ฉะนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางที่จะนำไปปฏิบัติได้จึงแบ่งรายการนี้ออกเป็น2หรือสตอนสำหรับเด็กตอนหนึ่งหรือบางคราวอาจจะสำหรับเด็กใหญ่อย่างชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปซึ่งอาจจะรวมถึงผู้ใหญ่สามัญทั่วไปด้วยบางคราวอาจสาหรับผู้ใหญ่ชั้นมีภูมิทางจิตใจปัญญาที่สูงกว่ารวมกันเข้าทุกตอนเป็นเวลาครั้งละไม่เกิน25นาที การทํารายการบริหารทางจิตนี้เจ้าประคุณสมเด็จได้นิมนต์และเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาประชุมหารือจัดทํากําหนดหลักการและหัวข้อนํามาประมวลให้อยู่ในแนวพระราชประสงค์จัดหัวข้อสําหรับบรรยายบรรจุเข้าให้สัมพันธ์หรือสืบต่อกันไปโดยลําดับจัดผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิตและเคารพหัดเป็นผู้บรรยายตามหลักการและหัวข้อดังกล่าวแล้วหลักแนวสําคัญของรายการนี้ก็คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เลือกสรรมาให้เกิดความเข้าใจทราบซึง้งมองเห็นประโยชน์ในการบริหารจิตใจให้เกิดผลดังกล่าวในรายการบริหารทางจิตดังกล่าวนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงรับหน้าที่บรรยายในส่วนที่เป็นการบริหารจิตสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นรายการหลักของรายการดังกล่าว การบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จในรายการนี้เป็นการสอนการหัดทำสมาธิแบบประยุกต์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเป็นหลักสำคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นการฝึกทำสมาธิเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำวันอย่างมีความสุขและจากการทำรายการบริหารทางจิตดังกล่าวนี้เจ้าพระคุณสมเด็จ ได้ทรงจัดเตรียมคำบรรยายขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่าการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่นับเป็นคำสอนเกี่ยวกับการบริหารจิตหรือการฝึกจิตที่มีคุณค่ายิ่งเรื่องหนึ่งพุทธศักราช 2,519 เจ้าพระคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระยานสังวร ได้รับอารัธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการฝึกปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาปัจจุบันเรียกว่าการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนาการนิสิ์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิชาการฝึกปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาดังกล่าวนี้ก็คือการฝึกทำสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาวิชาดังกล่าวนี้ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำหนดให้เป็นวิชาบังคับสำหรับนิสิตชั้นปีที่สแต่ก็เปิดโอกาสให้นิสิตทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนเรียนได้ด้วยเป็นวิชาที่กำหนดให้มีหน่วยกิต3หน่วยกิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จึงเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่บรรจุวิชาการฝึกสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลายัยและเจ้าพระคุณสมเด็จ ก็ส่งเป็นอาจารย์สอนวิชาดังกล่าวนี้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นพระองค์แรกและทรงสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีจึงได้ทรงมอบหมายให้พระเถระรูปอื่นทำหน้าที่สอนสืบต่อไปในชั้นแรกได้พานิสิต ท, ที่ลงเรียนวิชานี้ไปเรียนที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงพระเมตตามาบรรยายให้นิสิตฟัง พร้อมทั้งทรงนำในการฝึกหัด ร, รมสมาธิด้วยพระองค์เองตลอดมากระทั่งทรงมอบหมายให้พระเทระรูปอื่นสอนแทนจึงได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และต่อมาได้ย้ายสถานที่ไปที่วัดโส ม, มนัสวิหารซึ่งสะดวกเงียบสงบและเหมาะสมยิ่งกว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระยะแรกที่เปิดสอนวิชาการทำสมาธิดังกล่าวนี้มีนิสิต ท, ที่สนใจลงทะเบียนไม่กี่คนและก็ค่อยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าสังเกตกระทั่งในปัจจุบันมีนิสิต ท, ที่สนใจลงทะเบียนเรียนวิชานี้นับจำนวนเป็นร้อยผลจากการที่มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ได้เริ่มให้มีการสอนวิชาการฝึกทาสมาธิดังกล่าวนี้ขึ้นปรากฏว่า ต่อมาได้มีสถาบันการศึกษาอื่นๆตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาตลอดไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาให้ความสนใจในการสอนการฝึกหัดทรรมสมาธิตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนากันมากขึ้นกระทั่งในบางสถาบันก็ได้บรรจุวิชาการฝึกหัดทำรรมสมาธิไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย นอกจากทรงได้รับอารัธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการฝึกทำสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แล้วยังทรงได้รับอารัธนาให้บรรยายเกี่ยวกับการฝึกทำรรสมาธิแก่นิสิตนักศึกษาสถาบัานอื่นๆตลอดถึงแก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยราชการและองค์กรอื่นๆ อ, อีกอย่างกว้างขวางนับได้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จ ได้ส่งเป็นผู้จุดประกายในการศึกษาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับพระเกียรติคุณของเจ้าประคุณสมเด็จในฐานะที่ส่งเป็นพระมหาเทระฝ่ายคันถธทุระและส่งเชี่ยวชาญในฝ่ายวิปัสนาทุระด้วยก็ได้มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความนิยมในการศึกษาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานขึ้นในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกระดับอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะแต่ในด้านวิปัสนาธุระคือการสอนการฝึกทรรมสมาธิกรรมฐานเท่านั้นแม้ในด้านปริยัติคือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาเจ้าประคุณสมเด็จก็ทรงได้รับการอาราธนาจากสถาบันการศึกษาและหน่วยราชการองค์กรต่างๆไปทรงบรรยายหรือแสดงพระธรรมเทศนาอยู่เนืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เจ้าประคุณสมเด็จขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระาศาสนโสภลทรงได้รับอารัธนาให้บรรยายเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิชาการแก่นักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2514โดยทรงบรรยายเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยในวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยร่วมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ป, ปราโมช ในคำบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมไทยเจ้าพระคุณสมเด็จได้ทรงกล่าวถึงความเป็นมาของพระพุทธศาสนาคำสอนสำคัญบางข้อในพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทยโดยทรงชี้ให้เห็นองค์ประกอบของสังคมไทยว่าประกอบด้วยระบบความเชื่อถือระบบความเคารพนับถือเชื่อฟังระบบความระพฤติระบบสแสวงบุญระ บ, บบบ้านและวัด ระบบการปกครองระบบความเป็นไทยคำบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จเรื่องดังกล่าวนี้แม้จะเป็นเพียงคำบรรยายสั้นๆแต่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงทัศนะและความลึกซึ้งของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องสังคมไทยและเรื่องการศึกษาได้เป็นอย่างดี